m e t me. สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับท่านโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับเรานําเรื่องราวสาระน่ารู้ข่าวสารมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังนะครับซึ่งที่จะติดตามกันในช่วงนี้ที่เป็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการปลองดองที่ในส่วนของรัฐบาลในส่วนของ ดิเริ่มนับที่จะให้มีการปลองดองกันขึ้นมานะครับซึ่งก็มีการหาเลยกับในส่วนของสปทสถาสภาปฏิรูปประเทศนี่และครับแล้วก็ในส่วนของสอนอชในหลายส่วนรวมทั้งจะเชิญตัวแทนของฝ่ายการเมืองมาทำ MOU กันด้วยนะครับมีการให้ข่าวกันหลากหลายเลยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดบรรยากาศเกี่ยวกับเรื่องของการปลองดอง นะครับแล้วก็ในส่วนของนายยงตรีนี่ยนะครับก็ยังมองว่ายังยังจะไม่เอาสูตรโมเดลในสมัยพลเอกเปรมนายยมไบหกสิบหกทับสมาเพราะว่าอ ย, อยู่เป็นคนละสมัยอาจจะต้องมีการรเริ่มกันขึ้นมาใหม่จากให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์นี่จะมีการท้าทามนายอัมพลกิติอัมพลที่ปรึกษานายยงตรีให้มาดํารงตาแหน่ง สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีนะครับหรือว่า PMDU นะครับเพื่อที่จ ะ, ะได้มาทำงานประสานงานกับคณะกรรมการปยปนะครับที่จะตั้งขึ้นน่แหละครับนะซึ่งก็อาจจะต้องมีการเชิญนักวิชาการหรือผู้รู้มาเป็นกรรมการกันกันหลายฝ่ายในส่วนของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีแดะรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่ากรณีที่คณะอนุกรรมการกรรมธิการพิจารณาศึกษารวบรวมความเห็นวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปลองดองทางการเมืองของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสพทเนี่ยเสนอให้ใช้โมเดลของผูะเด็กเปรมเนี่ยก็ยังก็ยังอาจจะยังไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่า อยากจะต้องมีการคิดกันขึ้นมาไปเพราะว่าเป็นเรื่องที่นานมาแล้วนะครับแนตะ่แล้วก็คงจะต้องมอบให้คณะกรรมการปยปอเนี่ยนะครับนะในในการที่จะดูแลนะครับดูแ ล, แลกันนะครับในส่วนของดรสุวิทย์เมสินสีซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะในคณะในฐานะเลขานุ ก, การปยปอก็บอกว่าจะ มีการแบ่งงานกันแล้วนะครับจากการเปิดเผยของดรสวิสในการเตรียมหลายๆฝ่ายมามาพบปะมาพูดคุยโดยในส่วนของทางรัฐบาลเนี่ยให้รองนายย้งตีมากำกับดูแลนะฮะคณะกรรมการส่วนงานสี่ส่วนของของปอยปนะครับในส่วนของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์แห่งชาตินะก็จะมีพลอากาศเอกประจินจันตองนะกำกับดูแลนะครับแล้วก็คณะ กรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศก็จะมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ น, นะครับแล้วก็พลเรือเอกนาลงพิพัฒน์ธนาในะครับกํากับนะฮะทำกับดูแลนะครับในส่วนของคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปลองดองก็จะมีพลเอกประวิตยวงสุวรรณทองไหนตงตีเนี่ยดูแลนะครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการ บริหารราชาการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ก็จะมีในสมคิดจาตุศีพิทักษ์และก็นวิษณุเครืองามกำกับดูแลนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็เสน อ, อใหใน้นายยงตีได้พิจารณานะครับว่าว่าจะเป็นอย่างไรส่วนของบิ๊กบังนี่นะครับพลเอกสนธิบุญยรัตน์รัตกรินซึ่งเป็นอดีตประธานเป็น ประธานคณะกรรมาการวิสามัญศึกษาแนวทางสร้างความประดอแห่งชาติสภาผู้แทนรัษฎรในสมัยก่อนก็บอกว่าได้รับการประสานจากสพทเนี่ยนะครับนะที่มีดรสังสิทธิ์พิละ ย, ยางสันเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลนะครับก็ตนก็ได้เสนอว่ารัฐบาลในต้องเร่งแก้ปัญหาทางด้านการเมืองแหะครับนะเพราะว่าะจะได้เกิดบรรยากาศความปลองดองกันขึ้นมาก็ต้องเอาฝ่ายการเมืองทุกฝ่าย ก็คงจะไม่ว่าจะประชาธิปัตย์เพื่อไทยหรือหลายๆส่วนเนี่ยมาตกลงเงื่อนไขนมาพูดมาตกลงกันนะครับส่วนเรื่องความเหลื่อมล้ําความไม่เท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมในพลเอกสนทริก็บอกว่าอาจจะต้องนํามาหารือกันทั้งทั้งหมดนะครับทั้งกระบวนการยุติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยเป็นความเห็นของของพลเอกสนธินะครับนะส่วนคุณอพิสิทธ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก็บอกว่ า, าจะส่งตัวแทนของประชาธิปัตย์มาเข้าร่วมคณะกรรมการที่ที่ทางในส่วนของรัฐเนเสน อ, อเชิญตัวแทนของการเมืองมาร่วมมาหาลือกันแต่ในส่วนตัวก็บอกว่ า, าการปองดองต้องมองไ ป, ไปที่อนาคตนคในอดีตก็ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมทํางานไปนในส่วนของนายพิสิทธิ์มองอย่างนั้น ยกเว้นคดีที่เกี่ยวกับประชาชนที่มาชุมนุมถ้าทำผิดกฎหมายก็ควรนีรลโทษกรรมส่วนในส่วนของแกนนํานี่ก็ให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการต่อไปนะครับนะ ก, ก็คงจะต้องดูนะครับว่าว่าจะอย่างไรนะครับเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มีความเห็นอย่างนั้นนะครับนะว่าจะต้องเดินหน้าส่วนนายจตุรงฉายแสงแกนนำพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงเรื่อง าการสร้างบรรยากาศาการปองดองว่าผู้มีอำนาจเนี่ยก็จะต้องเรียกทุกฝ่ายมาพูดมาคุยกันนะครับแล้วสร้างความเสมอภาคในสังคมนะครับแล้วก็กเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาช่วยกันคิดนะครับว่าจะเริ่มกระบวนการปองดองอย่างไรมีเวทีที่จะต้องพูดคุยเอาคู่ความขัดแย้งมาพูดมาคุยกันนะครับแล้วก็เป็นข้อเสนอของของในหลายๆส่วนนะก็ต้องดูแลครับนะต้องค่อยๆ ทำกันไปรับฟังเพลงสักเพลงก่อนจะมาพูดมาคุยกันต่อครับ ใจว่าดีกว่าฝนแลงผันมานางแห้งรอยห้ฝนแรงเสียอย่างดีกว่าน้ำท่วมปีนี้ทุกคนล้วนมีแต่คลาบน้ำตาทีนี้น้ำขึ้นบนหลังคาน้ำตาไหลเข้าสายชน ลมไต่ฝุ่นกระน้ำซ้ำซองเสียงพาอยู่ก้องเหมือนเสียงโลมมัดโยราดตนน้ำท่วมที่ไหนก็ต้องเสียใจใกันทุกคนเพราะต้องพบกับความยากจนทุกคนหมดเนื้อสิ้นตัว ถูกน้ำท่วมเหมือนกันตั้งแต่ประจวบคิรีคันเหมือนกันไปทุกครอบครัวเผืนอน้าก็ลมไรยแต่ก็จมเสียหายไปทั่วพี่จึงเหมือนคนหมดตัวหมดตัวกันแล้วแกวตา ก็จมเสียหายไปทั่วที่จึงเหมือนคนหมดตัวหมดตัวก็แล้วแก้วตาน้ำท่วมที่ต้องผิดหวังจอกชาม ไม่มาช่วยที่สัดน้ำตาไม่มามองยีบ้างเลย พูดมาคุยกันต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารการบ้านการเมืองซึ่งมาดูเกี่ยวกับเรื่องนโยบายของของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์นะครับซึ่งส่งผลกระเทือนต่อต่อทั่วโลกเลยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการขายนี่เพราะว่าประธานาธิบดีทรัมม์ประกาศนโยบายอเมริกันเฟิร์คืออเมริกันต้อ ง, อ เ, อ, งอเมริกาต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นนี่เขาก็จะอะ เริ่มที่จะต้องมามีการตั้งกำแพงภาษีกิจการการค้านะครับนะ่ะอะไรที่สหรัฐจะเสียเปรียบเนี่ยเขาก็จะจะจะยุติข้อตกลงนะครับซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อสินค้าที่จะส่งไปขายยังสหรัฐอเมริกานะครับนะ่ะก็ไทยเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีสัดส่วนของการส่งสินค้าไปที่สหรัฐนิดจานวนมากนะครับนะมาดูข้อความคิดเห็นของหลายๆฝ่ายนายบรรลบนะ วิตนากรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยก็บอกว่านโยบายของของโดนัลด์ทรัมป์ประธานดีสารัตนะครับได้มีการลงนามในหนังสือนะครับให้สารัตเนี่ยถอนตัวออกจากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะภาคพื้นแปซิฟิกหรือว่า tpp อย่างเป็นทางการลงนามกันไปแล้วนะครับก็ก็จะส่งผลกระทบนะต่ อ, ต อ, ตอเกี่ยวกับเรื่องของการค้าต้องลงทุนในระยะยาวระยะสั้นเนี่ยยังส่งออกไปได้อยู่แต่ระยะยาวเนี่ยจะต้อง อาจจะต้องปรับตัวกันกันอย่างมากนะครับนะเพราะจะมีกําแพงภาษีนะกันขึ้นมานะครับนะก็ จ, จะต้องมาม า, มาเน้นอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีระดับสูงขึ้นนะครับนะซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องดูนโยบายกีจการทางการค้านะครับที่สารัฐอาจจะต้องมีการเริ่มใช้กับนะประเทศจีนบ้างนะครับประเทศรัเสเซียประเทศอื่นๆเนี่ยนะก็อาจจะกระส่งส่งวัตถุทบกับไทยแหะครับเพราะว่า เราส่งออกไปไปจํานวนมากนะต่อต่อสหรัฐนะครับซึ่งก็ต้องมีการปรับตัวนะครับมีการปรับตัวแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้ยอดการส่งออกของเรานี่กระเตื้องขึ้นเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวนะครับจากการเปิดเผยของนางสาวพิมพ์ชนกนะวอนขอพรอผู้มนวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าสถิติการค้าของไทย ในปีที่แล้วปี 2,559 มีมูลค่าส่งออกประมาณ 2,15,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.45% เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งปีก่อนนี้เราติดลบประมาณ 5% นะครับนะยอดการส่งออกก็เป็นการขยายตัวเป็นบวกในรอบแรกในรอบ4ปีนะครับซึ่งเราเนี่ยติดลบนะสินค้าส่งออกของเราเนี่ยติดลบต่อเนื่องมา3ปีจากปี 2,556 นะครับนะ57แล้วก็58เนี่ยติดลบมาตลอดตอนนี้เริ่มกระเตื้องขึ้นนะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ในมูลค่าการส่งออกนะนะจากการเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์บอกว่าเราเป็นอันดับ8ของโลกเป็นอันดับ4ของเอเชียอันดับ2ของอาเซียนนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็พยายามที่จะรักษาสถิติไว้ก็น่าจะน่าจะขยายตัวนะครับเพราะฉะนั้นนี่แต่ว่าก็ต้องเตรียมตัวที่จะ ลองรับผลกระทบจากนโยบายของสหรัฐนะครับที่จะเริ่มมีการกรีดกันทางการค้านะมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจาอาจะทําให้การส่งออกเนี่ยอาจจะลดลงนะอาจจะต้องส่งผลกระทบเหมือนกันนะครับเนืเพราะการค้านี่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จากกรณีที่อังกฤษออกจากยูด้วยนะครับประชาคมยุโรปจะส่งผลกระทบหรือไม่นี่ต้อง ต้องต้องดูกันการตอบไปในระยะในระยะยาวนะครับซึ่งทางด้านเศรษฐกิจนี่คงะจะต้องพยายามที่จะฟื้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับคือหลังน้ำหลังน้ําท่วมเนี่ยจะต้องมีมาตรการในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจในในภาคใต้นะซึ่งต้องใช้เวลาแลครับกว่าที่จะฟื้นฟูกันขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นถึงจะมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งรัฐบาลก็ทําอยู่แล้วนะโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแต่อย่างไรที่จะให้ กเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะฟื้นตัวกันให้มากขึ้นให้นักท่องเที่ยวเนี่ยกลับคืนมานะครับมามาเที่ยวก็จะทําให้การหมุนเวียนดีขึ้นรวมทั้งพยายามที่จะให้ราคาผลิตผลทางการเกษตรนี่ก็เตื้องขึ้นนะราคายางราคาข้าวราคามันราคาอ้อยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าราคาสูงขึ้นก็จะทําให้เศรษฐกษิจนี่ฟื้นตัวเหมือนกันนะครับแตนะ่เพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่คงอาจจะต้อง ร่วมมือกันในหลายๆฝ่ายนะครับควบคู่กับบรรยากาศที่จะสร้างความปองดองนะครับนะถ้าฟื้นตัวขึ้นมาอ่าก็จะทําให้เศรษฐกิจแข็งแกร่งก็จะเดินหน้าไปได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนี้ก็ต้องช่วยเหลือกันในหลายๆส่วนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันดร์กุลธนานต้องขอลาท่านผไปก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ครบ เพียงเธอรับรู้มีฉันคอยหุมยหญ่สิ่งนั้นมันมากมายเกินพอขอเพียงได้คิด ไม่เคยบาดหมางอย่าเต็มใจให้เธอไม่ช้ำไม่เสียใจไม่เคยบาดหมางอย่าเต็มใจให้เธอทุกอย่าง